พวกเราที่เป็นชาวพุทธนะย่อมทราบดีอยู่นะว่าพระาตรบุรเนี่ยท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นเบอร์สองเลยนะรองจากพระพุทธองค์แต่ว่าท่านก็เป็นพระที่เจอโลกธรรมผลกระทบเยอะมากจะหาภาษาวกที่ มีเรื่องร้ายๆมากระทบกับท่านนี่น้อยมากนะท่านไม่ได้เพียงแต่ได้รับคำชื่นชมสารเสริญหรือว่าคำาการเคารพการบูชาแต่ก็ยังเจอนะคำต่อว่าด่าทอการกล่าวหาใส่ร้ายหรือแม้กระทั่ง ทำร้ายนะเรียกว่าลองๆจับพพุทธเจ้าเลยมีคราวนหนึ่งนะท่านเดินบินถบาศแล้วก็ผ่านบ้านพรามคนหนึ่งพรามคนนี้เนี่ยไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบภาษาวกไม่ชอบพระในพุทธศาสนา แล้วก็ได้ข่าวว่าเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีความโกรธ้วก็อยากจะลองของนะอยากจะดูซิว่าเนี่ยเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าคนธรรมดานี่ก็ถาาว่าไม่มีความโกรธนะไม่มีความเกลียดอยู่แล้วนี่ก็คงไม่คิดจะลองของนะ ลองของยังไงนะขณะที่เดินตามภาษารลิบุตรพอได้จังหวะก็เอาฝ่ามือเนี่ยฟาดหลังภาษารลิบุตรอย่างแรงเลยเรียกว่าฟาดเต็มที่เลยบอกว่าภาษารลิบุเนี่ยยังเดินปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงข้ามนะพรามคนนั้นนี่พอฟาดเสร็นี่ศรีละนี่ร้อนไปทั้งตัวเลย ตกใจเกิดความสำนึกผิดก็มากราบขอโทษพระไสหลิบุตพรพระไสหลิบุตรเนี่ยท่านสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มาเรื่องอะไรกันทําไมท่านถึงมาขอโทษอัตมาเพราะว่าท่านไม่รู้สึกอะไรเลยพรามก็เลยบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเพิ่ง ทำร้ายพระคุณเจ้าเมื่อสักครู่นี้เองภาษารีบุตก็เลยบอกว่าเหรอไม่เป็นไรอัอาตามายกโทษให้เพราะว่าพรังมณนนั้นนี่ประทับใจทราบซึ้งใจมากขนาะทำร้ายอย่างแรงนี่ภาษารีบุตรนี่ไม่ถือโทษโกรธเคืองเลยเกิดศรัทธานะเกิดนิมนต์ไปฉันที่บ้านเลย ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมีคนเห็นนะคนที่เห็นเนี่ยก็นับถือภระสายาษีบุตรเรียกว่าเป็นชอพุทธกว่าได้แต่พอเห็นแล้วเห็นพฤติกรรมของพราหมณ์ที่ไปทุบหลังตบหลังภระสายาษีบุตรก็โกรธมากเลยไม่ได้โกรธเป่าๆเนี่ยพากันถือเอาไม้เอาอาวุธนี่มาจะทําร้ายพราหมณ์แต่ว่า พรามเนี่ยอยู่ในบ้านนะกำลังถวายอังคาานะพระไตรุฎก็รอรอให้พรามออกมาจากบ้านนะแต่ตอนที่พรามออกจากบ้านเนี่ยนะพรามถือบาทของพระศริบุตรเดินตามพระศตรบุตเพื่อไปส่งนะที่เชตวันคนที่จ้องจะทำร้ายพรามเ่านั่นก็เลยทำร้ายไม่ถนัด พระสรบุเห็นคนเยอะๆเลยนะมารุมร้อมอยู่รอบบ้านพราหมณ์ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคนเหล่านั้นก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าจะทําร้ายพราหมณ์คนนี้เพื่อเอาโทษเขาพระสรบุก็บอกว่าเนี่ยเมื่อพราหมณ์คนนี้เตะธรรมาอัตามาก็ยกโทษให้แล้ววันนั้นเขาไม่มีโทษแล้วนะ และท่านจะทําร้ายเขาหรือลงโทษเขาเนี่ยด้วยเรื่องอะไรกันปรากฏว่าคนเหล่านั้นก็จนปัญญานะจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยพระไตรปุฎถามชาว บ, บ้านเหล่านี้ด้วยนะว่าเนี่ยที่เขาที่ท่านจะลงโทษเนี่ยเพราะว่าพรางวนันนั้นเนี่ยทําร้ายอาตมาหรือทําร้ายพวกท่าน ชาวนาะชาวบ้านบ า, น ก, บานก็ทำร้ายพระคุณเจ้าไงระารูปุยก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ท่านให้อภัยแล้วยกโทษทห้แล้วจะไปทำร้ายหรือจะลงโทษเขาเนี่ยด้วยเรื่องอะไรกันแต่ว่าท้าไม่ได้โดนตบหลังอย่างเดียวนะเคยเจอหนักกว่านั้นนะมีคราหนึ่งท่านก็กำลังบำเพ็ญสมาธิอยู่นะ กลางค่กลางคืนในป่าแห่งหนึ่งก็มียักษ์ตนหนึ่งนะชื่อนันทกัยักษ์เป็นยักษ์มิจฉาทิฏฐิเปลี่ยนภาษาลิบุตก็ตั้งใจจะทำร้ายภาษาลิบุตเอากระบองนะกระบองซึ่งเป็นอาวุธประจาตัวเนี่ยฟาดศีรษะภาษาลิบุต กำลังของยังนี่มหาศาลนะก็บองที่ฟาดลงไปเนี่ยสามารถทำให้ช้างตัวใหญ่เนี่ยแปดศอกสูงแปดสองนี่จมดินได้หรือทำให้ภูเขานี่เล็กๆนี่พังทลายได้นะแต่พระเสด็บุตรเฉยมากเลยนะไม่รู้สึกอะไรยังภาวนาต่อไปเอาการนี้เนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ย ซึ่งจำมันสายอยู่ใกล้ๆจริงๆก็อยู่ในอาวาสเดียวกันนั่นแหละท่านมียานเห็นรุ่งเช้าก็เลยถามพระสรวบุตรว่าท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าถามด้วยความเป็นห่วงใยเพราะว่าโดนยักษ์เนี่ยใช้กระบองทุบอย่างแรงพระสรวบุตรตอบว่าผมสบายดีครับแต่ว่าปวดศีรษะเล็กน้อย โอ้พระโมคลานั้นี่ทึ่งมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยภาษาเรียบทเนี่ยท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากขนาดโดนยักษ์เนี่ยใช้กระบองทุบนี่ยังแค่ปวดศีรษะเล็กน้อยนะถือว่าเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากภาษาเรยบทท่านก็ถ่อมตัวนะท่านก็บอกว่าเนี่ยพระมคคลานั้นี่ก็มีฤทธิ์มากมีอนุภาพ ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะสามารถที่จะมองเห็นยักษ์เนี่ยตัวนั้นได้ตัวผมเองเนี่ยยัว่าแต่ยักษ์เลยนะแม้กระทั่งปีศาจตัวเล็กๆยังมองไม่เห็นเลยคือท่านเฉยมากนะขณะถูกยักษ์ทำร้ายเฉยทั้งความรู้สึกและอารมณ์คือไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่โกรธ อันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นฤทธิ์เป็นอนุภาพของพระสด็จบุตรอย่างหนึ่งก็ได้เวลาเราพูดถึงฤทธิ์ในอนุภาพเีเรามาักจะนึกถึงการเหาะเฮินเดินอากาศนะหรือว่าการมีปฏิหารต่างๆแต่ว่าพระสด็จบุตรเนี่ยท่านไม่ได้มีฤทธิ์อย่างพระโมคคัลลานนะแต่ฤทธิ์ที่พิเศษของท่านคือว่าใครมาทําร้ายก็ไม่โกรธ อันนี้เพราะท่านมีเมตตาสูงแล้วทำร้ายเนี่ยนะก็ไม่ได้รู้สึกปวดอะไรเรื่องที่เล่ามานี่ก็อาจจะเป็นอุปมาอุปไม่ว่าเนี่ยท่านไม่มีความรู้สึกเจ็บแค้นเลยหรือเจ็บใจเลยกลายอาจจะปวดนะแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยกายอาจจะเจ็บแต่ใจไม่เจ็บด้วยและยิ่งมีเมตตาสูงก็เลยไม่มีความโกรธ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นฤทธ์เป็นอนุภาพที่เกิดจากธรรมะล้วนๆนะธรรมะที่ทำให้ท่านมีเมตตาสูงนะทำให้ท่านเนี่ยไม่ว่ามีอะไรมากระทบกายเนี่ยใจก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยที่จริงท่านเจอเยอะนะเจอมากกว่า น, นี้นะแม้กระทั่งบางครั้งก็เกิดจากรู้ศึกของท่านเคยเล่าไปแล้ว เคยมีลูกศิษย์มากล่าวหาพระไศรย์ฤาษีว่าท่านทําร้ายร่างกายเขาเพียงเพราะว่าท่านเนี่ยคือพระไศรย์ฤาษีเนี่ยไม่ได้ทักทายเขาตอนที่ท่านกําลังจาลิกนะออกธุ ด, ดงมีลูกศิษย์ลูกหานี่มาเข้าแถวต้อนรับท่านเยอะแยะเลยจะมาอําลาจะมาส่งและท่านก็เป็นคนสุภาพมากนะทักทายทุกคนถามชื่อถามโครด เป็นสิบเลยนะแต่ว่าไม่เห็นพลารุมนี้พลารุมนี้นี่โกรธมากเลยนะโกรธมากที่ไม่ได้รับความสำคัญคงจะหวังให้ท่านเนี่ยทักทายแต่พอท่านไม่ได้ทักเพราะท่านไม่ทันเห็นโกรธกล่าวหาท่านว่าทาร้ายถึงกับเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องฟ้องร้องกันเลยแต่สุดท้ายก็ สงบลงเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าพระไบรุตทนี่ท่านไม่มีเจตนาที่อย่าว่าแต่จะทำร้ายใครเลยนะแม้กระทั่งการที่จะดูหมิ่นเนี่ยก็ไม่มีแล้วค ง, งมีพระน้อยรุ่มนะที่โดนแม่ด่าเนี่ยตอนที่ท่านไปบิณรบาตนะแถวนารันทานี่ก็มีพระไปด้วยกันมากมายโยมแม่ก็นิมนต์ พระทั้งคณะเลยไปฉันที่บ้านแต่ระหว่างที่ถวายอาหารไปก็ด่าไปถวายไปก็ด่าไปด่าพระาศยบุตรว่าเนี่ยท่านเนี่ยทิ้งทรัพย์80โกดนะเพื่อมาบวชทำให้ครอบครัวของเรานี่ชิบหายเลยคือไม่มีทา ย, ยาทสืบต่อเพราะว่าท่านไม่ได้บวชคนเดียวนะน้องก็บวช ด, ด้วยรวมทั้งท่านเรวัตตะแม่โกรธมากนะนิมนฉันะนไปก็ด่าอันนี้ ถวายหาไปก็ด่าไปแล้วก็ด่าพระในคณะด้วยนะว่าเนี่ยเอาลูกของเรามาเป็นค่ารับใช้แต่ว่าพระไตรปิฎกท่านนิ่งเงียบเลยนะไม่รู้สึกอะไรอันนี้เป็นลักษณะของพระไารบิตรนะนะซึ่งเกิดจากการที่ท่านเนี่ยเข้าถึงธรรมมีปัญญาสูงก็เลยไม่มีความยึดติดถือมันในตัวกูของกูและทาให้มีความเมตตาสูง ใครมาทำร้ายท่านท่านไม่โกรธแถมไม่รู้สึกอะไรด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นฤทธ์นะเป็นอนุภาพที่สำคัญนะซึ่งชาวพุทธเราเนี่ยมักจะมองข้ามไปนึกถึงว่าเนี่ยขอให้นะมีฤทธ์มีเดชนะห่อเหินเดินอากาศได้บันดาลโชคบันดาลลาบแต่ว่าฤทธ์ที่สำคัญคือเจอโลกธรรมมากระทบแล้วสงบนิ่งไม่โกรธใครมาทำร้าย นะก็ไม่รู้สึกอะไรอาจจะทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์นะอนนี่กนะ็เป็นธรรมะของพระสตรบุ ท, ทีนะ่เราควรจะศึกษาและน้อมนำมาใส่ตัว